แพราในความแก่มันก็มีอย่างเงี้ยเป็นไปอย่างเงี้ยเรื่อยเป็นไปเรื่อยๆไหมราคามันจะลดลงลดลงลดลงไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละในที่สุดนะยกในฟรีก็ไม่เอาอ่ะก็เอาแบบประมูลแบบราคาแบบนางนางสิมาใช่ไหมปกตินี่สมัยมีชีวิตอยู่นักคืนละพันคืนละพันสมัยนั้นเนะย ก็จะคืนละล้านสมัยนี้ได้คืนละล้านคืนละล้านเนี่ยค่าตัวมากขนาดนั้นนะต้องเป็นมหาเศรษฐีจริ ง, รงๆอ่ะนะจึงจะได้ตอนหลังก็ตายพอตายพุทธเจ้าก็บอกว่ายังไงก็จะพึ่งเผาเลยนะเก็บไว้สามวันกันนี่สามวันสมัยที่ไม่มีการฉีดศพสมัยที่มแมลงวันมันตอมเต็มที่เลยนะก็มะแมลงวันตอมตรงไหนมันก็ทิ้งไข่เอาไว้ด้วย มันก็ขึ้นอื่ดเต็มที่เลยแล้วก็เหมือนกับเอาเข้าวสารเนี่ยไปเอาเข้าวสุกกันนะไปเทราดทิ้งไว้นั่นศพก็กําลังปริพอดีเลยนะก็สั่งให้ชาวเมืองทั้งหมดมาประชุมกันเว้นแต่เด็กๆไม่มาเสียค่าปรับนะให้เกณฑ์คนให้มาดูศพเนี่ยนะศพนางเสิ็จ ม, มาก็ถามมันนั่นใครบอกนางเสิ็จ ม, มาบอกว่าไปตะกาดเลยใครอยากได้นางเสิ็จ ม, มาเอามาพันหนึ่งแล้วก็เอานางเสิ็จ ม, มานี่ไปเลย ประกาศเงียบหมดเลยนะไม่มีใครเอาสักคนเดียวประกาศรอบสองบอกลดเหลือห้าร้อยนะก็ไม่มีใครเอาอีกรอบที่สามเหลือร้อยเดียวลดไปอย่างนี้นะจนเหลือบาทเดียวบาทเดียวก็ไม่มีใครเอาอีกก็บอกยกให้ฟรีเลยก็บอกไม่มีใครเอาอี ก, ก น, นะก็บอกว่านี่แหละมาดูร่างกายมันอาดูลอย่างงี้หนละนันไม่ได้เป็นที่ปราดไม่น่าเป็นที่น่าปรารถนาะแห่งบุคคลทั้งหลายจริงๆ ไม่ได้ปรักเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาจริงๆเพราะฉะนั้นขันทั้งหลายมันเป็นเช่นนี้แหละนะเพราะมันประชุมปัจจัยพร้อมมันก็ยังเป็นอารัมมะปัจจัยของตันหาอย่าลืมนะว่าวัตถุใดเป็นอารัมมะปัจจัยของกามตันหาวัตถุนั้นเป็นอารัมมะปัจจัยของโภสะด้วยเพราะสิ่งนั้นมันจะไม่ได้ดีตลอดไปนะ เ, พเพราะความที่สิ่งนั้นเนี่ยนะอย่างที่พระพุทธพจน์ว่าสมบัติมีวิบัติเป็นที่สุด พันธาอะไรที่มันงามเพียบพร้อมถ้ามันสมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะรอวันเสื่อมอย่างเดียวนะจะไม่มีคำว่าพัฒนาขึ้นน่ะสมมุติเหมือนกระดอกไม้ที่มันบานเต็มที่แล้วนะถึงความสวยที่สุดนะหลังจากนั้นแต่รอวันเฉาอย่างเดียวนะมันจะไปสวยสดกว่าเดิมเนี่ยไม่มีคันแต่แต่แต่คนละระยะนะก็ เด็กกับคนแก่ก็คือคนเดียวกันใช่ั้ยแต่มันคนละระยะขาขึ้นกับขาลงแต่ว่าถ้ามีขาขึ้นเดี๋ยมันก็ลงมาอีกกันได้นะก็มีอะไรมันก็เสื่อมโทรมไปหมดนี่แหละชาราจะเห็นว่าการทำปริญญาแบบพุทธพจน์เนี่ยเขาไม่ได้มองชีวิตชั่วขณะแต่เป็นการมองตั้งแต่เกิดมาใช่ั้ยและชีวิตที่ดำรงอยู่แล้วก็ตายมรณะมรณ ะ, รณะเป็นไงนะ ความเคลื่อนภาวะของความเคลื่อนความแตกทำลายความหายไปมรรตยูความตายการทำกาละการทำลายแห่งขันความท่อทิ้งซากศพไว้ความขาดแห่งชีวิตตินซีในหมู่สัตว์นั้นอันนี้เรียกว่ามรณะก็คือตายนะถ้อยคำเนี่ยแสดงทั้งแบบภาษาปรมัตกับภาษาบัญยัตปรมัตนี่มีมคาว่าทิ้งซากศพไม่มี แต่ว่าพระองค์ก็ใช้ทั้งควบคู่กันไปทันการทําปริญญานั้นสามารถเอามาทําปริญญาได้ทั้งหมดนะยภาวะกับสัตว์นโกนีก่มีคามแก่ก็เอามนุษย์ให้เห็นๆก่อนอนะเน๊ะที่เห็นๆก่อนเพราะว่าอีกไม่นานเน๊ะนะอีกไม่นานก็จะต้องประจบไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอ่ะสองแห่งนั่นแหละเลือกเอาก็ มรณะก็คือความแตกทำลายนะมีความเกิดเป็นเบื้องต้นช่มดำรงอยู่ด้วยความชราในที่สุดก็แตกทำลายเป็นที่สุดแต่ว่าเกิดแก่ตายเนี่ยนะมันเป็นอะไรมันเป็นวัตถุดิบอย่างดีของโศกะเด็กเนี่ยเริ่มโศกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ น, นี่ยนะเขาเล่าว่าเด็กบางคนเนี่ยนะมันสะอื้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้ว นะร้องให้ตัง้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วก็บอกมีน้ําตาซึมด้วยเนะี่ยนั่นก็ร้องให้ตั้งอยู่ในครันนะไม่รู้มันทุกอะไรก็ไม่รู้นะเด็กมันร้องให้ตัง้งแต่อยู่ในครันนะคลอดออกมาอีกไม่ร้องแล้วก็ตบจนร้องกันได้อะไรเห็นไหมตบจนเด็กร้องจนแล้เพราะนั้นก็โศกานะเศรษฐโศกมาโตขึ้นมาก็ยิ่งโศกโศกขึ้นมาเรื่อยๆนะไม่เคยว่างจากความโศกเลยเพียงแต่ว่าเด็กๆถ้ามันเสียใจอะไรมันก็ แสดงออกมาเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็เก็บเนี่ยนะนาดั้มอย่างเดียวกันเลยเคล็ดอย่างเดียวทุกอย่างเดียวตุกขนาดเลยอะตุกข์อุขนเดือดอ้ยคนหนึ่งก็บอกว่าขอให้พ้นตุกขอให้พ้นตุกประมาณนั้นเอานี่เขาเขาทุกข์มากอ่นนะไม่รู้กขาทุกข์อะไรไม่ร ก็เครียดมากอะนะเป็นเป็นคนสูงอายุที่ค่อนข้างเครียดมันเวลาทําบุญเนี่ยนะคนอื่นจะปาถนาอะไรก็ปาถนาเอะขอให้พ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์เขาว่านะแต่ว่าเราฟังแล้วเข้าใจเลยนะเออเนี่ยปาถนาะนี่ผ่านปาถนาแบบนี้ก็ดีนะนะนะนะนะตรงตัวดีเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ก็ที่จะพ้นทุกข์จริงๆก็คือพ้นขันหนะ้าแหละจริงกับพ้นทุกข์แหละถ้ายังอยู่กับขันห้านะแรกๆดีตอนหลังอะ่ะ ตอนแรกนะั้นที่เรารู้ว่าเออเป็นบุญของเราเลือเกินที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมดีใจมากนะสมัยเด็กๆ เ, เขาว่างั้นนพอโตๆขึ้นมาแล้วก็เริ่มผิดหวังมาเรื่อยๆเรื่ยๆเอ๊มชักไม่ดีจริงเพราะนั้นโศกเนี่ยมีเริ่มมีตั้งแต่เด็กๆแม่เนะี่ยเพราะฉะนันชีวิตตั้งแต่เด็กไปจนถึงตายเนะี่ยขณะใดที่โธมนัตเกิดอะ่ะขณะนั้นก็คือโศกะอย่างอ่อนก็คือโศกนั่นแหละถ้ามันมีกําลังก็คร่ำครวนออกมา มันก็แบ่งโซกะนี่ก็คือพวกเครียดในใจะนะเก็บไว้ในใจอะ่ะสุมไว้ในใจถ้าภริเทวะก็เริ่มพร่ำเป็นคำพูดออกมาแล้วนะอย่างตอนแรกๆนะสมมติถ้าไปรับอารมณ์อะไรที่มันไม่ดีนะจะโศกก่อนนะนะฟังแล้วไม่ไม่สบายใจเลยเรื่องใดที่เราฟังแล้วไม่สบายใจอันนั้นแหละเป็นลักษณะของโซกะกก็คือความใจแห้งกิริยาที่ใจแห้ง เพะนันพวกนี้ยาหอมมันจึงขายดีเงี้เครียดบ่อยๆเข้าก็ต้องกินยาหอมกันละภาวะของบุคคลผู้ใจแห้งความแห้งปากณนะภายในความแห้งภายในของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติหรือวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอะไรบ้างอะนะก็อะไรที่มันเสียเสียนะเสียสตังก็ตามเถอะขอให้มันเสียเหอะเสียอะไรก็ได้ที่เรารักอะนะที่เราห่วงแหนเนี่ยผู้ถูกธรรมะคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าโสกะ ก็พวกนี้ก็สมัยใหม่ก็ใช้สับแมเครียดหงุดหงิดนะพวกวิตกกังวลเนี่ยพวกนี้ก็โสกาสะทั้งนั้นแหะผมเห็นผมเห็นเด็กคนนะอ น, นุบาลแท้ๆเลยนะแก น, นั่งกินข้าวเช้าๆอยู่แล้วแม่แกขายโจบแล้วแม่แกเนี่ยด่าแรงมากเลยฮะผู้ ด, ด่าแรงด่าเหมือนกระด่าผู้ใหญ่เลยอะ่ะอยังไเด็กคนนั้นมัน มันไม่ตอบไมโต้เลยมันนั้ำน้ําตาซึมอย่างเดียวนะอุ้ยผมเห็นแล้วนะผมอกโอยมันมันสงสารใจแทบขาดเลยโอ้หสะเทือนใจมากเลยนะเขาไม่ตอบโต้เลยเขาเน่าแล้วน้ําตาก็ไหลอนุบ า, า, าเลเนะี่ยตาใหญ่เลยโอ้โห ม, มันมีความโศกเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตัวเล็กๆโศกะมาตั้งถ้าปริเทวะก็บางพวกนะบางพวกนี่หนักไปทางโศกบางพวกนี่หนักไปทางปริเทวะ เรื่องเดียวกันบางคนเนี่ยเก็บเงียบไม่พูดอ่ะเครียดในใจอย่างเดียว <c oughs> ถ้าเป็นพวกอะไรนะถ้าเป็นแผลก็แผลมันมันมันฉีกเข้าข้างในอะนะมันไม่ฉีกออกข้างนอกอ่ะกลุ่มนั้นนะส่วนปริเทวะพวกนี้ก็คร่ำครวญความพิไรรำพันกิริยาที่คร่ำครวญกิริยาที่พิไรรำพันคือแปลว่าพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกอะนะไปสมมุติว่ารถไปถูกชนมาไงเอารถไปชนเฉียวมาเนี่ยนะ พูดอยู่เจ็ดวันนะยังไม่เลิกกันนะพวกนี้แหละเรียกว่าพวกความคร่ําครวนความพิไรรำพันกิริยาที่คร่ําครวญกิริยาที่พิไรรำพันพวกนี้ก็ร้องไห้ถึงของเสียหายนะแต่แต่บางคนน่ยก็อาจจะไม่แสดงกิริยาแต่ว่าทว่าโดยรวมๆก็คือคําพูดที่พูดเรื่องนุการเสียดายนะเป็นผลเรียกว่าเสียดายอาไลอาวอ์นั่นแหละ ภาวะของผู้ขําควรวนภาวะของผู้พี่รายรําพันผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกธรรมะคือความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วนี้เรียกว่าปริเทวะเรื่องบางเรื่องบางคนนี่ก็โศกบางคนนี่ก็ขําควรวนบางอย่างนะตอนแรกๆก็โศกก่อนใช่ไหมแรกๆก็เก็บเครียดไว้ในใจอย่างเดียวก่อนหนักๆเข้าในที่สุดก็ประทุออกมาจนได้เนี่ยนะไอพวกประทุนั่นแหละเรียกว่าเป็น ปริเทวะถ้าโศกกะก็ถ้าเป็นนี่ก็เดือดในถ้าเป็นหม้อข้าวนะถ้าใครเคยหุงข้าวอ่ะหรือต้มน้ําถ้ามันเดือดอยู่ข้างในเฉยเฉยนีพวกนี้เรียกว่าโศกะถ้าปริเทวะมันก็โหดันฝาหม้อฝามีเนี่ยตกหมดอ่ะพวกนี้ก็ปริเทวะชีวิตของเรานะถ้าใครสังเกตดูนะใครที่โศกกะปริเทวะบ่อยๆคือคนที่ชอบคิดถึงปฏิฆนิมิตบ่อยๆพวกนี้คือกลุ่มโสกะปริเทวะ แปลเป็นไทยๆว่าใครที่ชอบคิดถึงเรื่องแต่เรื่องประเภทไม่เจริญตาจเจริญใจทั้งหลายแลละนะเอาเรื่องแต่เรื่องประเภทนั้นนมาคิดเยอะยะพวกนี้แหละโสกะปริเทวมากกว่าเพื่อนแต่ไทยๆเขาใช้คำว่ามองโลกในแง่ร้ายเนาะเนี่พวกกลุ่มนี้แหละก็ปฏิฆาณิมิตกลุ่มโทสะเคยมีโยมคนหนึ่งนะีหูแกแกแกหน้าดําแบบแบบคนเครียดตลอดเวลาเลยอะ่ะเพราะแกมองว่าทุกคนเนี่ยเลวหมด เลวเพราะไม่มีความดีนะไม่ใช่เลวเพราะไม่เที่ยงนะไม่ได้มองแบบอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าทุกคนน่ารังเกียจหมดทุกคนมีความชั่วหมดโอแกเครียดมากเลยนะมาคุยกับตามานนะของมาบอกอเจอแกครั้งเดียวก็พอแล้วมั้งกลัวเดี๋ยวเราจะไปติดเชื้อ น, นั่นมาอีกลาบากอีกนะคือคือไอาการมันจะต่างจากตีรณนปริญยานะตีรณนปริญญาก็จะมองอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาใช่ แต่เป็นการมองขันห้าตามเป็นจริงอันนี้ก็คือคือเขาก็มีความดีกันทุกคนนั่นแหละแต่ว่าไปมองเห็นแต่ในส่วนของความเลวของเขาอะ่ะแต่ทีนี้ถ้ามองขันห้าขันทุกขันมันไม่เที่ยงเออ้าอย่างไงก็ใช่ละเพราะอันนี้ต้องแยกให้เป็นนะแต่ก็คนที่มองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมันเครียดจริงๆอ่ะนะนี่มาดูทุก ทุกตรงๆอันนี้ทุกคือความเจ็บปวดทุกทางกายนะความลําบากทางกายความไม่สําราญทางกายความสเสวยอารมณ์อันเป็นทุกไม่สําราญเกิดแต่กายยสัมผัสอันนี้เรียกว่าทุกเขาบอกว่าในร่างกายนะตั้งแต่มีกายเป็นตัวเป็นต น, ตนออกมานะมีส่วนไหนบ้างที่ไม่เคยเจ็บเลยมีไหมเอาคนที่ประสบประการชีวิตยา ว, ยาวๆหน่อยนะมีไหมส่วนไหนที่ไม่รู้สึกว่าเคยเจ็บเลยเคยสร้างปัญหาให้แม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะ ไม่มีเลย like no นะเนี่หมอยิเพนพบเรียงค้นหาหรอยงในสรีระเนี่ยกำลังค้นอยู่นะตรวจดูที่ว่ามีส่วนไหนที่ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้เลยดีเยี่ยมมาตลอดคุณนายเจอยังไงยังไม่เจอเลยนะตกบันไดเจอได้ไงโอ้หลงลงลงลองนะผมนะฮะนิวนี้นะครับถูกเกลือ ลำใหญ่ๆสองลำชนกันเลยนะแล้วชนแล้วหนีบแล้วแล้วชนถูกนิ้วผมอะ่ะ <c oughs> คิดดูที่มันแค่ไหนเร <c oughs> ือประทุกข้าวใหญ่ๆอะ่ะ <c oughs> มันผูกเชือกอยู่ระหว่างหัวเรือสองวัวเรือใช่แล้วเราไปเหยียบตรงกลางอะแล้วเรือมันวิ่งกามากัคกับแล้วก็ตรงนี้เล็บหลุดเลยเกือบตกน้ำในคลองสับเสงเลยนะเนี่ยเล็บหลุดเลยแตกเลยอันนี้ก็ยืนรอรถไฟอยู่ประจวบ มือเผลอไปวันหน้าต่างหน้าต่างมันก็ลมมันก็พัดเรียงเดียวเกือบขาดนี่นิ้วก้อยนะเนี่ยนะไอ้นิ้วนี้เล็กๆอ่ะมี่โอ้โหมันเข้าเปครึ่งนิ้วเลยแล้วเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ก็เนี่ยนิ้วนี้มีดนิ้วนี้คอนก็บอกว่าในนิ้วนะของมานั่งวัน น, นั่งกันนั่งชันเนี่ยแล้ว ก็ พ, กพอดีก็ฉันเสร็จก่อนผู้ ก, การก็นั่งคานเล็กก็นั่งนับแผลเป็นนะในมือเนี่ยได้ร้อยกว่าแห่งนิ้วเล็กๆนะนิ้วเล็กๆที่เราเรียกว่าเนี่ยเป็นรอยแผลเป็นเนี่ยเรารู้ว่านั่งไ ล, ไล่ไปทีละนิ้วทีละนิ้วเนี่ยโอ้เป็นร้อยๆแห่งเลยเนะก็เนี่ยตรังของทุกทั้งนั้นเลยเนะท่านก็ มีตรงไหนบางที่ไม่มีทุกขากายยะวิญญาณเกิดนะนะเว้นแต่ตรงนั้นไม่มีกายยะภาษาธาจาบแม่นนี้นี้สำรวจเจอเลยยังเต้กไม่เคยสร้างปัญหาให้เลยดีเยี่ยมมาตลอดเลยไห น, นนะอ๋อมีทุกเป็นตัวนใหญ่นะบางทีก็ที่เดิมนั่นแหละมันซ้าแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเ ล, ล่าถามว่าใครเกิดมาไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับฟันเลยมีไหม ไม่พบนะไม่เคยปวดฟันเลยไม่มีเลยเป็นปกตินะอ่านั้นมีเล็บแล้วเนี่ยปกติเล็บมันน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมมีอีกจนได้ัเช่นอย่างน้อยก็บางคนก็เล็บขบอ่ะนะเล็บผักอย่งเงี้ยกันะ กินลอยอยู่เนี่ยลอยห่อเลือดอยูเนี่ยและผักแล้วก็ไม่มีอะถ้าว่าโดยรวมๆนะส่วนไหนที่ไม่ไม่ไม่มีปัญหาเนี่ยที่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ป่วยแล้วก็คุณหมอก็รับรองหลายครั้งแล้วไม่มีส่วนไหนที่ไม่มีโรคเหมงอนกันเถอะอุตส่าห์เอาขนตามาให้ดูว่าขนตามันน่าจะไม่มีโรคใช่ไหมแต่ตรงนั้นบวันไหนนะที่บอกว่าโรคเนี่ยตรงนี้รักษายากกับเพื่อนด้วยะ ใ, ใครเคยถูกฝาตัดหรือไม่ขอมาก็ผ่าฟันออกไปสองซี่แล้วผมนี่ผ่าไส้เลื่ อ, ตอนอตอนอายุสิบห้าตอนรีารเก็บก็พันกายเนี่ยมันเป็นรังของของโรคจริงๆไม่มีอะไรที่ทุกขากายญาวิญญาณไม่เกินนะหรือใครที่ยังไม่ป่วยนะอยากคิดว่าจะพ้นใช่ไหมที่ที่เรียกว่าดีย่อมมาตลอดนะ นั่นแหละเดี๋ยวเอัอวันหลังอ่ะ น, นะคน น, นนั้นจะป่วยมากกว่าเพื่อนนะเพราะอย่าลืมว่าสุขภาพดีมีความเจ็บป่วยเป็นที่สุดเวลาป่วยแล้วไม่ใช่ว่าแปลว่ามันจะกลับมาดีได้ตามเดิมนะคือถ้าดีอยู่ในที่สุดต้องนาไปสู่ความป่วยแต่ถ้าป่วยแล้วไม่ได้แปลว่าจะกลับมาดีเท่าเดิมก็มีแต่สุดไปเรื่อยๆเรื่อๆรืยๆ เ, เ, เพราะฉะนั้นทุกขากายญาวิญญาณนะอย่างที่ มันหมเล่าให้ฟังเองนั่นแหละถ้าคนไข้มานะ ถ, าถ้าปวดเยอะๆแห่งไม่ต้องบอกเอาแห่งเดียวก็พอ <c oughs> คิดตรงไหนมันก็ปวดหมดอ่ะนะนั่งอยู่พักก็บอกว่อยากไปคุยกับคนไข้นานมากตอนนะัมันจะปว่วยทุกแห่งไปหมดเลยนะ <c oughs> นั่งอยู่ด้วยนานๆเขาบอกนั่งคุยทั่วๆไปไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งไข้มันจะบัญชีเนี่ยครึ่งหางเว้านะัะนน่น เขาคิดตรงไหนมันก็ป่วยมาถ้ายิ่งอายุมากด้วยนะนึกตรงไหนมันก็ปวดตรงนั้นน่ะเอานึกข้อมันก็ปวดข้อนึกเข่ามันก็ปวดเข่านึกหลังก็ปวดหลังนึกท้องก็ปวดท้องนึกฟันก็ปวดฟันเนี่ยนะนึกคอก็ปวดอีกนึกถึงร่างกายก็ปวดเมื่อยโอ้ก็ปวดไปหมดเลยทุกขกายวิญญาณเนี่ยเส็งแทรกอยู่ทั่วสารพางกายเลยนะที่ใดมีกายวิปลาสธาเนี่ยตรงนั้นเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์หมดเลย จะทัวๆไปที่เขารักษาก็พวกทุกบางตายทั้งหลายแล้วนะเขเลือกรักษาตรงนั้นไปก่อนแต่ว่าที่เหลือยังไงมันก็ทุกอีกจนได้มเมื่อกี้ฟังวิทยุมาบอกว่าทางเหนือเราเนี่ยนะมะเร็งปอดมากที่สุดเขาว่างั้นนะอาจารย์มอชอว่านะมะเร็งปอดเนี่ยมีมากที่สุดนะ น, นะขึ้นในบรรดามะเร็งทั้งหลายทางภาคเหนือเนี่ยอันนี้เป็นอันดับสูงกว่าเพื่อนหมดเลย เพราะบุรีด้วยแล้วก็เพราะว่าอย่างไฟไหมเนี่ยนะพวกไฟไหมพวกอะไรทั้งหลายแหละมลภาวะมันเยอะเขาบอกว่าระยะยี่สิบปีผ่านมานะถอยหลังอย่างนี้ไปยี่สิบปีผ่านมาเนี่ยมะเร็งตอดไม่เคยลดลงเลยก็ยังครองแชมป์มาตลอดเลยเห็นไหมนั่นก็นึกว่ามันดีนะนึกว่ามันหายใจได้คล่องๆ อ, อย่างนี้นึกว่าจะดีนะในที่สุด ก็ทุกขากายะวิญญาณก็เกิดจนได้ทีนี้มาดูโทมนัสนยะโทมนัสเนี่ยความทุกทางจิตความไม่สําราญทางจิตความเสวยอารมณ์อันเป็นทุกไม่สําราญเกิดแต่มโนสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนัสตั้งคําถามง่ายๆว่าเรานึกถึงอะไรแล้วไม่เคยรู้สึกว่าโทมนัสเลยมีไหม อะไรก็ได้ที่เป็นอารมณ์หกนะรูปเสียงเลินรถโพธพภะธรรมอารมณ์นะนึกแล้วไม่เคยโทรมนัทเลยมีไหมใครหาเจอบ้างคุณเชือ้อสุสีเจ อ, อยังเคยพบไหมนึกแล้วไม่เคยโทรมนัทเลยนะโทมนัทอยู่นึกแล้วดีใจเลยยังไม่เคยมีน ะ, สะแสดงว่า น, นึกแล้วก็ยังกลมอยู่ตามเดิมทุกแห่งก็เป็นอารามานะปัจจัยของโทรมนัทหมด สังขารธรรมทุกชนิดนี้เป็นอารมณะปัจจัยของโทมานัตโดยที่สุดแม้แต่สมมติศีลเนี่ยถ้าศีลขาดนึกถึงศีลที่ขาดไปนี่โทมานัตไหมก็โทมานัตอีกจนได้นะโดยที่สุดแม้แต่กุศลก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัตเนี่ยนะโทมานัตคือความเสียใจใช่ไหมบางทีนะบ า, บางเรื่องก็เรื่องดีๆแต่ก็คิดซะจนไม่ดีอะ่ะอย่างเช่นอากาศเย็นๆดีฝนตกสบายๆคิดจนดึกป่วยจนได้ทางความคิดเหรอนะี หาเรื่องคิดจนป่วยอีกนะคนอื่นบางทีเขาก็นอนหลับสบายดีอ่ะนะคิดเข้าจนทุกข์ไปอีกกันนะจึงความป่วยทางจิตเนี่ยนะมันเป็นบ่อยกันมากๆเลยแหละเพราะปกติน่ะสัตว์ถ้าไม่ราค่าก็โทสะไม่สมหวังก็ผิดหวังอ่ะนะ ก, กับอยู่กับความหวังสมหวังผิดหวังตั้งความหวังสมหวังผิดหวังตัางความหวังก็อยู่เท่านี้แหละถ้าถ้าแบบถ้ามองแค่สภาวะโดยเอาเนี่ย โทรมนัดกับโสมมันัดมาจับเนี่ยมันก็มีโสมมันัดโทรมันัดโสมมันัดโทรมันัดโสมมันัดโทมันัดก็สลับคละดเขาเหมือนตาเนี่ยเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็หลับตาลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาอยู่แค่เนี่ยไม่มีอะไรใจก็เหมือนกันเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ดีใจแต่โดยมากกะชีวิตนะใครที่โสมนัดมากกับโทมมนัดคนนั้นเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะถามว่าวันวันหนึ่งไหม ยิ้มครึ่งวันกับเสียใจครึ่งเครียดครึ่งวันเนี่ยไหนเป็นมากกว่ากันหรือเอาชั่วโมงต่อชั่วโมงก็ได้คุณนภาไหนมากกว่ากันไม่บอกไม่บอกก็เก็บไปทุกมากอยู่แล้วล่ะจันแดงจันแดงโสมมันนั่งโทรมันนั่งไหนเบอรกันไห <c oughs> นเนี่ย <c oughs> แต่ก็ๆๆจริงนะในบรรดาคนนี่น่าจะมีความสุข ก, กว่าเพื่อนนะก็จันแดงมั้งเนาะแต่ว่าถ้าจยนแดงทุกข์นะคนอื่นไม่ต้องพูดถึงแล้วนะแล้วก็ทั้งสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะก็มีอะไรบ้างที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความสบายใจเลยเนี่ยแล้วตลอดการเว้นแต่นิพพานเสีย อย่างอื่นไม่มีที่เป็นสังขารธรรมนะเว้นโลกุตระธรรมซะทาล่างๆ ล, ล, งลงมาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัตทั้งหมดเลยแม้กระทั่งฌานในจิตเนี่ยนะถ้าเข้าฌานได้ก็ก็ยังดีใช่ไหมตอนหลังถ้าเข้าฌานไม่ได้นะหรือฌานเสื่อมก็โทมนัตอีกจนได้ั น, นโทมนัตเนี่ยความป่วยไข้ทางความคิดเนี่ยจิตพิการเนี่ยนะก็ ไล่ไปมานะทุกอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกหมดเลยในเรื่องเดียวกันเนี่ยบางคนนี่หัวเราะมากนะสิ่งเดียวกันนะว่าเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสมีความสุขมากแต่ไอสิ่งเดียวกันเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสกับอีกคนไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร HY ่อย่างสตังเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสหรือโทมนัสกันแน่โดยมากนะแบงง า, งามสวยๆเนี่ยนะโสมนัสหรือโทมนัสมากกว่ากัน ก็โสมนัตขาได้ถ้ามาช่วงไหนมาเข้ากระเป๋าเราก็โสมนัตละตอนไหน<บ>ตอนไหนที่<บ>มันออกไปออกไปออกไปแล้วก็หมดไปหมดไปแล้วก็หาใหม่ก็ไม่ค่อยจะมีม น, น, นึกเมื่อไหร่ก็โทมนัตซะส่วนใหญ่เคยเผาแทิ้งนะมันขาดก็ไปใช้ไม่ได้ไยอ เ, เลยเผาทิ้งไปเลยแัน้ <c oughs> อย่าว่าแบงค์หรือย่างอื่นยังถูกเผาอีกแน่เนี่ยคนคนเผาแบงค์ก็ยังจะถูกเผาอีกเหมือนกันในที่สุดนะเมื่อกี้ก็ยังบอกรนรงค์เกี่ยว ก, ก็บอกว่าอย่าไปเผาเลยแบบประสาทแบบอะไรมันทําให้มีมนภาวะอก็<笑><笑> <G ül> คนที่บริจาคศรีระให้ทางการแพทย์ในที่สุดก็ยังถูกเผาอีกจนได้ใช่ไหยทําบุญเผาอาจารย์ใหญ่เหมือนกัน ก็ถูกเผาอีกทั้งหมดนั่นแหละทีนี้พอความคับแค้นเนี่ยนะความคับแค้นก็อึดอัด น, อนะนีความแค้นความคับแค้นภาวะของผู้แค้นภาวะของผู้คับแค้นผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกธรรมะคือความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าความคับแค้นหรืออุปายาตมันคับแค้นมันอึดอัดนั่นไง แล้วก็ความประจวบกับสัตว์และสังขารไม่เป็นที่รักกลุ่มนี้เป็นถ้าถ้ากล่าวตามสภาวะจริงๆตร ง, งๆก็คือกลุ่มโทสะจริตนั่นเคือพวกนี้ความพรั่งพรงพ้อมความร่วมความรักคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโภตาภะอันไม่น่าปรารถนำไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจหรือด้วยบุคคลที่ ผู้ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกือกูลปรารถนาสิ่งที่ไม่ผาสุกปรารถนาความไม่เกษมจากโยคะซึ่งมีแก่ผู้นั้นอันนี้เรียกว่าความประจวบกับ ส, ส, สัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รัก พ, พวกนี้นะก็เป็นถือว่าเป็นความทุกข์คนที่ที่มีความทุกข์อย่างนี้เนี่ยนะมีไม่ใช่น้อยใช่เจอกับสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รัก น, น, น, นก็คนที่อาจจะสังขารนั้นอะ่ะเคยเป็นที่รักนะตอนหลังมันก็ไม่เป็นที่รักอีกได้เพรา ะ, ะนั้นถ้าไปเจอกับสิ่งนั้นอ่ะอย่างเช่นตอนไหนที่มันตอนที่มันดีนะตอนที่ดีเนี่ยเราก็ว่าเออเนี่ยสุขแล้วละตอนสิ่งเดียวกันมันเสียหายไปอะ่ะถ้าต้องเจอกับสิ่งนั้นอ่ะนี่แหละเรียกว่าประจบกับสัตว์สังขารอันไม่เป็นที่รักอย่างเช่นอย่างอย่างคนที่ มีพ่อมีแม่อันเป็นที่รักไงไหมตอนมีชีวิตอยู่ใช่ไหมก็นึกไม่มีอะไรพอพอซีชีวิตดินซีมันหายไปอะ่ะก็เจอกับร่างกายอันเดิมเนี่ยนะสริระทรงเท่าเดิมแต่ทําไมเสียใจละ่ะนนะีนี่แหละเรียกว่าประจวบกับสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักรถคันเดียวกันที่มันบุบมันสลายไปอะนะที่เรียกว่าเคยเป็นของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ก็ถือว่าประจวบกับสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รัก ก็เนี้เห็นชัดมากคือว่าเราเราอยู่กับเราจําเป็นต้องอยู่กับคนที่ที่เป็นศัตรูกับเรานี่ชัดเจนมากเลยหรือว่าเมียน้อยเมียหลวงอยู่ในกันเนี่ยอะไรเกิดขึ้นอย่าเขามีอะไรนะผู้หญิงวัยกลางคนสมัยพุทธกาลเนี่ยไปรักษาอุโบสถใช่ไหมนางวิสาขาก็ไปถามว่า อ, อแม่คุณทั้งหลายเนี่อรักษาอุโบสถป่าถนาอะไร ก็ปรารถนาขอให้เป็นเมียหลวงอย่างเดียวก็พ อ, อคือขอให้เป็นเมียคนเดียวก็พอแล้วนะอย่าต้องมีตำแหน่งหลวงน้อยอะไรก็ไม่ต้องทุกอย่างนะเป็นอย่างเดียวก็พอละอักลัวจะได้ตาแหน่งเมียหลวงมากอันนี้ก็ถ้ายิ่งต้องเจอกันบ่อยๆบ่อยๆเข้าอนะันนี้ก็เป็นความทุกข์อีกอย่างนะึ่คือผู้ร่วมงานในสานักงานเดียวกัน นี่แหละครับที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์นะคนทำงานมาแล้วจะรู้ทำงานร่วมกันและคอมเมนตกันเนี่ยนะมันหลายอย่างครับมันอิจฉากันมันแข่งกันมันอะไรกัน้เยอะจริงครับอันนี้แหละเป็นที่ตั้งครัเราว่าประสบกับสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักอนะก็เหมือนกับเนี่ยปกตินะถ้าไทยๆเรื่กงก้างขวางคอเนี่ยนะปกติในที่เดียวกันเนี่ยมันควรจะดีใช่ไหมกลืนอาหารก็ไปถ้ามันมีก้างอยู่ในนั้นด้วยอ่ะ เพราะมันมันเดือด ร, ร้อนนะการทำงานปกติทั่วๆไปก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกแต่ก็มีอีกชนได้ถ้าอย่างอย่างตอนนี้เลยนะเหมือนกับรถติดเนี่ยนะก็เครียดใช่ไหมรถติดเนี่ยปัหาพวกรถติดทั้งหลายก็ถือว่าประจบกับสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเนะนะี่ยนีชัดเจนมากโดยเฉพาะขี้หมูที่น้องที่บ้านนั่นน้องปิงถ้าอยู่นานๆานชิ้นกันเนละ ลืมมันนสิการเนี่ยมันประจวบกับสัตว์สังขารนั้นไม่เป็นที่รักเลยนะอยู่ใกล้โรงงานมีกลิ่นแรงๆอะไรอย่างนี้นะโอ้โหมันมันเป็นความทุกข์มากมากเลยอ่ะเสียงอีอยางนะฮะเสียงอย่างเนี้ยใครไปมีบ้านปลูกอยู่ริมซุปเปอร์ไฮเวย์นะน่าดูเลย เคยไปขึ้นขึ้นไปตึกหลายๆชั้นในกรุงเทพมั้ยเนี่นึกว่าจะเงียบที่ไหนได้นะเสียงยังจะอยู่ในโรงงานอย่างไะอยู่ตึกสูงๆูงนี่คอนโดอะไรอย่างงี้นี่ผมเคยอยู่แล้ว อ, อยู่แฟลตโรงเรียนในร้อยเนี่ยคืนแรกนอนไม่ได้เลยครับ <c oughs> เพราะยิ่งสูงแลนะเสียงมันสารพัดจะเข้ามาอีกครับแปลกจริงนะถ้าอยู่<ม>ข้างล่างกับเสียงเบาชั้นล่างๆเนี่ยเสียงเบาครับไม่ค่อยดังนะใช่ ชั้นบน ๆ, นๆเนี่ยวู๊เสียงรังจริงต้องปิดทั้งหมดแล้วก็เปิดแอร์นี่ยนะั้งชั่วเนี่ยทั้งสัตว์ทั้งหลายที่ทุกๆกันเนี่ยนะเราทั้งหลายเนี่ยกลัวความหิวกลัวความกระหายกลัวร้อนกลัวลมกลัวหนาวกลัวฝนจริงๆก็คือกลัวประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักนั่นเองนะหวังว่าเราจะไม่เจอสิ่งนั้นหวังว่าจะไม่เจอสิ่งนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็คือกลัวมากเลยนะที่จะต้องประจวบกับสิ่งกับ กับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก mm. บางคนเนี่ยบอกกลักวกลัวแก่มากบางคนก็กลัวป่วยมากนั่นแหละตนนั้นก็คือกลัวประจบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักนั่นเองอย่างความเจ็บปวดทั้งหลายความป่วยไข้ก็ถือว่าการประจบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักถ้าตอนไหนที่สุขภาพดีก็ถือว่าประจบกับสิ่งอันเป็นที่รักไง <m> <ภ> <iek> พอสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยมีเรื่องทุกข์เข้ามาก็นี่แหละเรียกว่า ตอนนั้นเนี่ยประจวบกับสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยตอนที่อยู่ที่บ้านทุกการณนัทก็มีลำไยเนี่ยนะหน้าลำไยที่มันสุกเต็มที่ดีเต็มต้นเลยนะซึ่งมันยังไม่แก่เนะี่ยมันยังไม่แก่ดีอ่มันกาลังอ่อนอ่อนแต่ว่ามันสุกเต็มที่บนต้นหมดเลยก็หวังว่าปีนี้แหละปลดนี่อย่างนั้นเสร็จแล้วพายุขเข้ามาเนะยเจ้าของบ้านฆ่าตัวตายเลยนะเนี่ยนเะพราะเพราะว่ามัน เขาหวังไว้ว่าปีนี้แหละมันจะปลดนี่ได้นะแล้วมันปลดไม่ได้เพราะว่าพายุมันเอาไปกินหมดแล้วก็คนที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยมีมากเลยมีมีไม่ใช่น้อยเลยในประเทศไทยเราเนี่ยที่สร้างความหวังไว้กับอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็แล้วต้องไปผิดหวังกับสิ่งนั้นอ่ะนะในที่สุดก็ถึงกับฆ่าตัวตายเลยเพราะประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักนี่แหละนะ